สา o สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดที่ร้านอาหารสามดิรีสตอรันต3ทีเดิฉันอยากได้ออเดิร์ค่ะ ingin makanan pembuka ดิฉันอยากได้สลัดค่ะิญญฉันอยากได้ซุปค่ะญญิฉันอยากได้ของหวานค่ะฉันอยากได้ไอาหวปรปิีมค่ะ saya ingin es dengan k อ i m ส i ่ะฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะฉันอยาก i n ้ผลไม้หรือชีสค่ะฉันอา้รอนอา้หรอนอาหรืชนอาหรชาก้รอชีสคันอาก้รอา้รอนอาหรนอาหรากลรากวลัน kami อยากกินม akan siang เราต้องการทานอาหารเย็นเราอยากกินม akan malam อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะอปปะ a ร a ี่คุณต้องการสำหรับอาหารเช้าขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ โรตีด n g a n s ล l a ย dan m a ดุขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะโรตีล a p ิสซ u สิสและเ켜จุไข่ลวกไหมคะเติร์ลเรบุสไข่าดาวไหมคะเติร์มาตาสัตออมเล็ตไหมคะ ติมไขขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะออโยกิร์ตขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ อ, อกกาาเกลือและพขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะโปอาลืิกไทยมาขอเกลือริ้วย่ปาเล่แกาอีกลแก้วค่ะโอาเกลือและพริกไ